เทศอบรมพระวันที่26กันยายน 2,521 น้ายี่เนี่เข้มข้นไปตลอดเรียนเพื่อความจำแล้วก็ปฏิบัติเพื่อถึงความจริงกิเลสออกแสดงตัวในขณะที่ได้รับสัมผัสจากภายนอกและแสดงตัวกับธรรมรมที่เป็นอดีตเทศถึงด้านบีเล็กน้อยพูดธรรมะกันนี้ปลุกใจดีไปตลอดกัน ใครฟังอัดได้พูดธรรมะเข้มข้นอาหารปลุกใจดีมากพูดนั่งตลอดรุ่งจิตสว่างจ้านั่งเวลาเท่ากันถ้าจิตสงบตัวยากร่างกายบอบช้ำ ม, มากถ้าจิตสงบตัวง่ายร่างกายก็ไม่บอบช้ำเรื่องจึงสำคัญที่จิตที่พูดนี้ฟังได้อัดได้ มาป้องกันต่างในสม อ, อ, นสองรูกายใจอย่างมน้นคำเรียกว่าตเณฑ์มันมาทั้งปัดติดนั้นมาตั้งปัดทั้พันกับตัวเรามันก็เป็นการปลกความมุขตึกขึ้นมาติดใจความตั้งมั่นต่อเหตุผลหรืออัตธรรอยู่แล้วมันก็ทราบได้ทั้งสิ่งดีและชั่วเพื่อมาสมําบัติอยู่พิจเรณาตามนั้นนั่นเรียวกว่เรียนทำปฏิบัติธรรม เกิข้อข้องใจขึ้นมาก็ข้อเกิดข้อข้อใจขึ้นมาจากสินี้ในการพัฒนาแก้ไขให้เข้าใจจนจบเครื่องจนจได้ก็ต้องอาศัยปัญญาพิจารณาให้ถูกต้องถูกทางต่างนๆครับผมจะกระจกยความข้อนจะได้เป็นพักๆเป็นต่อๆเรื่อยไปเวลาเรียกว่าเราเรียนความจิงไม่ใช่เรียนให้เป็นความจำเรียนความเป็นความจําพวกสังเราต้อง สำหรับปัญญาต่างนี่เ ร, เรียนเพื่อความจําอันนี้เราเรียนเพื่อความจริงคือเพื่อความรู้จริงเห็นจริงตามหลักธรรมชาติที่มันเป็นจริงอย่างรเราเรียนเพื่อความจริงย่อมจะไม่ข้างย่อมจะไม่มองข้างในสิ่งที่ดีและชั่วซึ่งมีอยู่ตัวและขั้มําจขั้ันกันเสมอเราจะเห็นได้ตอน ปัญญาเริ่มหลายตัวนั้ น, มนสมาสีิมีความสบายมีความสงบจิตไม่ค่อวุ่นวายเลเป็นความสะดวกสบายภายในใจือจิตไม่ควรตัวเองเพราะอารมณ์ต่างๆรูปเสียงสีนดเครื่องน้ำผัดที่เคยเกี่ยวข้องแล้วก็กลายเป็นอติตารมหมายถึงเป็นลมอนำอารมณ์มาดิดเนี่ย ทำมาคุา้นมาคิดมากบควรรุกยแย่ก่อควรจิตใจตัวหนึ่งเนื่อยทำให้จิตว่าวุ่นขวัญโขึ้นมากัเพราะความควรตัวเองเราจะไปตาหนิว่ารูปไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีก็ไม่ได้ถ้าเราพิจารณาให้เป็นธรรมจิตใจเราไม่ดีเองเราโง่เองยึกขนองใจไปรักสิ น, นั่นไปชังสิ น, นี้ไปเกลียดสิ น, นั่นไปโกรธสิมีนน ความลักความชังความเปลียดความโกรธเหล่านี้มันเป็นเรื่องของที่เหลดกำนังเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องใค่ายควนให้ทราบแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อขึ้นจากตัวเองโดยอาศัยสิ่งที่มาสัมผัสนั้นเป็นสาเหตุให้กระเพื่อมขึ้นมาในทางตำแหน่ที่ชนต่างเรียนธรรมะจึงต้องเรียนอยที่ตรงนี้จิดเมื่อมีความสงบย่อมมีความสบายเพราะ มันอะไรควนใจเหมือนจิตที่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้จิตไม่เคยสงบ เ, เลยจิตไม่มีหลัก<ม>ย่อมจะถูก<ม>กลินกนก่นกอบกวนหรว่ย่อมจะกอบกวนตัวเองอยู่เสมอตัวเองกอบกวนตัวเองให้ขุ่นมัวอยู่เสมอมันก็หาความสุขไม่ได้ตรงที่ไหนก็ตรงก็ได้ถ้าจิตตรงตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีทางตรงเล อ, อตรงบนตถถ้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศ น้ำในบกที่ไหนก็ตรงไม่หรอกถ้ามาตรงที่ต้นเหตุซึ่งมันเกิดขึ้นเกิดที่ตรงไหนทพิจาราาที่ตรงนั้นมันว่าวุ่นขุมม่นโมที่ตรงไหนก็ผิด ม, มันต้องหาสามส้อมมาแปลงลงไปทำมาสามส้อมปัญหาถึงการบริกรรมภาวนาในขั้นเริ่มเป็นอย่างนัง้นเห็ น, นต้นอานาตานสติ ยึดกำหนดพุทธโธเป็นต้นตามแต่ทายที่เราชอบในคำบ่นใดเข้ามาเป็นคำบริกรรมหยิดในขณะที่บริกรรมอยู่นั้นด้วยความไม่ครั้งเถือย่อมเป็นเหมือนกับการกรองอารมณ์เข้าสู่จุดเดียวให้แนว่วแนว่แนลงไปเช่นเดียวกับสารต้มจุ่มแข่นลงไปในน้ำ ตะกรนก็ต้องนอนก้นไปร่างก็ใสสะอาดเนีเบื้องต้นต่องทำอย่างนี้ก่อนพอจิตใจมีความสงบอารมร์ก็ไม่กวนอารมณก็เรียกว่าสงบตัวถ้าเป็นตะก อ, อนัก็ดนอนก้นโองทำอ่าแรกทำอยางนั้นเตียทนี้ก็สบายแต่ยังไม่เคยเกิด ค, ความ ถ้าหลับมเกิดความแยกภายในเนี่ต่งตางๆก็จิตเป็นเพียงความสงบเราได้ความสงบก็เท่ากับเราได้ความสบายเพราะความสงบมันเป็นบารฐานที่ให้เกิดความถุกความสบายภายในใจเรียกว่ามีที่พักมีที่จอดที่แวะมีหลักมีเจเพอตรงจิตตรงใจลงไดน้นั่งอยู่ก็สบายนอนก็สบายเพียงขั้นสงบเท่านี้เราก็สบาย เมงานเราเจอความสรมาเราจะไม่เจอที่ไหนจะเจอที่จิตเพราะจิตเป็นตัวทยุ่งเป็นตัวไม่สมายเมื่อได้อบรมตนในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏเป็นจิตสงบเป็นจิตสบายขึ้นมาให้เห็นอย่างเด็ดขาดภายในใจในยาวุฒตา่างๆเดินไปด้ยวดยความกระดวกสบายอายในจิตอยู่ที่ไหนก็พออยู่คน้องเมื่อจิมีความสบายเหี้ยอย่างเดียวเท่านั้น เรื่องโกดังเรื่องอีนังขาดตกบกซอกบางมีจิตถุกอะไรนั่นเป็นสิ่นภายนอกมันไม่ใช่เป็นของกจำเป็นยิ่งกว่าจิตซึ่งเป็นตัวสาคัญเป็นเจ้าโลกสร้าสงสารหรือเป็นผู้ครองที้ตีเป็นผู้รับผิดชอบก็คือจิตดวงเดียวานจึงต้องปรับปุจิตนี้ให้ดีเป็นของภายนอกภายใ น, นมีมาอะไรมันก็ไม่เป็นภัยแก่ตัวเองเพราะตัวเองฉะลาด มีความสุขความสบายมีความรอบครอบต่อสิตต่างๆที่มาเกี่ข้องกับตนทังนี้ชื่อว่าขั้นสมาธิขั้นสนกที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการอบรมใจให้สงบตัวใหญ่เป็นฟืนเป็นไฟคิด่านใจตุงคิตุงแตกตลอดเวลา ตรงางานทำคือความคิดความปรุงในคําบริกรรมของเรานี้น่าจะเป็นความปรุงเหมือนกันกันกบความคิดตุงต่างต่างก็ตามแต่ความคิดตรุงประเภทนี้เต็นความคิดปรุงเพื่อให้ความสมดุลปีกันกับเราเอาเหรือเอาไม้ลงกวนน้าที่มันมีตะกรันอยงนี้แทนที่จะให้มันใส่ ก็เลยขุ่ขึ้นมแต่ถ้าสามส้มลงปัวมันถึงกันมันกลับสหขึ้นมานาำเ น, นียวอารมณ์เข้ามาควรใจแทนที่จจจะสงบมันไม่สงบแสดงผลขึ้นมาเป็นความทุกข์ร้อนถ้าพุโทโธเข้าไปเกี่ยวข้องดพุดโทพโธแต่งลงในิบริกรรมพุโทพโธแม้จะเป็นความคิดตุนเหกั น, นก็ตาม แต่คำว่าคำว่าบริกรรมนี้เป็นเกี่ยวเหมือนสามซ้อนทำใจให้สงเย็นลงไปนะท่านมีเหตุมีผลผู้ท่านดาเนินมาก่อนพวกเราให้รู้วิถีท่านรู้มาก่อนแล้วจี่ไม่นามาตอนพวกเราจรึงมันใช่เป็นทางที่ความคิดตรุงเช่นนี้เรียกว่าเป็นฝากมากเป็นฝ่ายละดดับทุกข์ทั้งหลายความคิดตรุงการ ธรรมธรรมดาของสามชนเราซึ่งมันมีความก็ทำก็ไปเกี่ยวข้องเลนั้นเป็นความที่ตุ้มที่เป็นสมุทยมันเป็นการผิดทุกขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นฝนเดือดร้อนในจุดแรก็อาจจะทรงสมบัติสมาธิสมบัตินีต่อไปคิดเดินทางด้านต่าง คิดอนแล้วกอะไรก็มาทําผัดก็เกี่ยงเพียงสาเหตุเอาอาต้นเอาการของหมันเดี๋ยวมันก็มีเรื่องมันพุ่งมาสะดุดใจให้เราได้คิดเป็นเงื่อนต่อไปเนี่ยก็เข้าใจในเงื่อนนั้นเข้าใจในเงื่อนนี้น้องก็ป่อไปต่อไปมีเป็นวาระที่จะตัดที่เหล็กกองสมาธิเป็นเพียงขวกวคุ้มเยี่ยมเข้าขมาสู่จุดเดียวปัญญาผู้คลี่คลายออกมา ฟันหรือทำลายชิ้นส่้นละอันโดยลำดับหน่งนักปฏิบัติเราไม่สามารถแต่รงมักผลนิพพานได้แล้วไม่มีใครเราอยากพูดเต็มปากอย่างนี้เลยเพราะเราเป็นนักปฏิบัติด้วยเป็นเพศนักบวชด้วยซึ่งเป็นเพศที่ตบเครื่องพาะนะอะไรทั้งหมดโลกเขารับรองสิสใจความเป็นอยู่ทุกด้าน รูปทามปัจจัยสีมันก็ครอบโลคกับธาตุแล้วความเป็นอยู่ของเราสมบูรณ์แล้วคำว่าปัจจัยสีที่ได้มาจากประชานมนบุญให้ทางร้ ว, ค ว, ว, ค, ว, วความเด้วอความองินใสดีบอนหมายถึงเครื่องนุ่หงห่มแฉ่สอยบินธมาหมายถึงอาหกานการบริโภคทุกประเภทเสนาชนะที่อยู่ที่อาศัยสุขตีก็เหมือนกับบ้านทีลานักเพศยาแก้โรคชนิดต่างๆก็มีเต็มยี่ล้าน เรามีแต่หน้าที่ที่จะประกอบความภาคเพียงตามเจตนาที่ตั้งไว้วระดัความมุ่งมั่นที่ต่างเล้วนะแล้ว ม, มีงานอื่นด้วยมีแต่งานที่จะพยายามรักษาจิตแก้ไขถอดถอนจิตที่เป็นภัยต่อจิตใจบิดปุ่นอบุ่จิตใจให้ข่อยหายไปยะุ่งเพราะที่เหลือเป็นตัวขยะุ่นให้ลดน้อยลงเป็นลำดั เพนี้นะผู้ปฏิบัตินี้เลยเป็นผู้ที่เหมาะสมหรือใกล้ิดติดกับมรกคผลนิพพานอย่างที่งถ้าให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นไปตามเจตนารงคุ้มตุกที่บวดมาเพื่อมรรคผลนิพพานงานของเราทุกทิ้นทุกอันจะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเพราะงาน ของทานนี้เป็นงานถอนถนเยอเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตั้งสติมีความรู้สึกตัวระหว่างตัวให้เธอปัญญามีความคิดอ่านใจจองอยู่เสมอในคุบรรลักณ์บรรพบุรุษสิ่งที่คนรบำเพ็ญสิ่งที่ควร อ, อว ร, ว ร, รุเจนจริงพยายามต่างเพื่อล้างพยายาิจารณาด้วยหัญญาอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินมั่งา่า เว้นตลาดเท่านั้นเป็นผู้ทำงานเพื่อลือถอนตนออกจากทุกข์ด้วยอำนาจของสริตปัญญาโดยสมองคน่นวิริจะมาจากที่ไหนจะยกกองพันกองตนมาจากทไหนนี่อยู่ที่ใจเที่วิริมันมีมากจนถึงกับให้เกิดทุกข์เป็นไฟทั้งกองภายในใจิตใจเพราะความไม่รู้เบื่อความไม่เข้าใจวิถีดับ มีแต่เรื่องวิธีสังสง ม, มีแต่เรื่องสังสงขึ้นมาดูแทรดหลักทําพระพุทธเจ้า ท, ทา่านทรงสอนรู้แล้วทุกแน่ทุกหนเราได้ทำหน้าที่ให้เป็นภูมิของเราอย่าให้เสียไม่ว่าเวลาในความตื่นบวชแล้วกุศในการปฏิบัติที่ไหนหถือว่างานเป็นของท้องทันเสมอเราจะเห็นว่างานใดมีความท้องทันยิ่งกว่างานขอ ง, งอออตรงให้พ้นจัก นี่ผู้นี้แหละผู้ติดใกล้ผู้ต่อมาผลนม่ผ่านสิ่งที่ปิดบงังลี้ลับมาให้เราเห็นก็ไม่ใช่ปิดกล้ที่ไหนก็เด็กเคยพูดปิดตั้งมือนี่คืเรื่องของกิเลสทั้งห น, นที่ปิดตั้งเอาไว้ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่หรือเวื่องเวลาไม่ใช่จิตดันมาปิดตั้งหัวใจให้บรรลุถึงมรรคผลนม่ผ่าน มีที่เรียนประเทศเดียวนี่เท่านั้นที่เรียนอย่างเดียวนี้นะจะมีกี่ขัแหนงก็รวมชื่อว่ากิ่เลียนความโลภความโกรธความหลงราคาปัญหาอะไมันเป็นเรื่องของที่เลีแต่ขัแหนงออกไปก็เหมือนกับต้นไม้ที่มันแตกกิ่งกข้ามแตกขั้นออกไปออกจากไม้ต้นเดียวนัออกจากใจตรงเดียวเชื่แท้มันจป็นคำเรียกว่าวิชา มันตั้งหลักตั้งฐานในภายในจิตใจครอบองำจิตใจอย่างนั้นแล้วก็แตกขนงออกไปเป็นปีดเป็นยอดที่เหลือพันธาตุต่างๆร้อยแปกอะไรแบบนี้มันเป็นกิ่งก้างสาข า, าการพิจาจรณาจีงต้องเลยพิจารณาตามกระแสของจิตที่เกี่ยวพันกันบที่เหลือทำเป็นเหตุให้เราได้หลุดหลงในรูปในเสียงในจิตในเครื่องต้องตัดต่งตางๆพิจารณาเคลื่นที่ได้โยทางปัญญา จะถอนพิเพลศทำให้ผูกผูกมัดจิตใจพิเรศทําให้เมื่อี่เรศทําให้โง่ตัวที่เรศเองมันไม่ได้โง่มันฉาลาดแต่ยังมาครอบเร า, า แ, ล แ, ลแล้วเราเป็นคนโง่มันไม่ทันคนมายาหของหมาเพราะฉะนั้นจิตต้องอาศัยหลักธรรมขอระพุจ้าซึ่งเป็นเครื่องมือที่เิเรศตัวที่สุดมีธรรมเท่า น, นั้นนั่นแหละนำเข้ามา ปราก า, ารฝึกฝนธรมาตนตความขยันหมั่นเพียร น, นักบวชต้องเป็นเพศที่มีความอดทนตามหลักของนักบวชเป็นอย่างนั้นความขยันหมั่นเพียรก็คือนักบวชความคิดอ่านใจซองก็คือนักบวชความไม่มีเนื้อดืนตัวก็คือนักบวชความอเอาจินเอาจริงในสิ่ง ที่เป็นงานชอบของสมณะเอาจริงเอาจังทุกงานไม่ว่างานภายนอกงานามีสติคอยํำกัดรักษาใจสมุมีปัญญาคอยที่เาแสะต้องโยกเฟร์สอบสอบดูว่าอันไนจะผิดอันไะนถึงประกาศใะบ้างเป็นเครื่องแนะนำันสมุทนทุก็ทน คำว่าทุกมันมันจะทุกข์พเพราะเกียงความเปลียนเท่านั้นมันทุกข์เพราะการฝืนกับที่เหลือเป็นสําคัญ <rets. S 1> ความที่เกลียดก็คือเรื่องของที่เหลือความอ่อนแอคือเรื่องของที่เหลือนะแล้วฝืนความอ่อนแอแล้วฝืนความเกลียดคร้านซึ่งเป็นเรื่องของที่เหลือมาเพราะความขยันหมั่นเพียรเพราะความเอาทินหัมันจึงเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ที่ตากุดอย่นี้มันจะเป็นทุกข์เพรา ะ, ะรเป็นทุกข์เพราะ การต่อสู้กับกิเลสถ้าเราเห็นว่าการต่อสู้กับกิเลสเป็นเรื่องความทุกข์แล้วเราต้องมีทางที่จะต่อสู้กิเลสได้และไม่มีวันที่จะชนะกิเลสไปได้เลยแม้ตัวเดียวนะเราต้องหาอุบายวิธีแก้ไขเราอย่างนี้ ท, ทําองตัการนั่งนานเจ็บปวดที่มันเป็นธรรมนาเดินนานก็เหนื่อยเราเปลี่ยนหน้าที่ได้สิอย่าง น, น, นี้แต่สําคัญที่ความทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสนนมันไม่มีเรื่องเวละ ถ้าเราไม่ต่อสู้มันมันยิ่งเอาหนักการต่อสู้มันก็สู้เพื่อใชรชนะึ่งนู่ถือว่าเป็นความลำบากลำบนเพราะเราต้องการดูเหนือที่เหล็กเราต้องการชนะที่เหล็กเรากลัวที่เหล็กแล้วเราจะ อ, าอะไรไปสู้เหรเหมือนอย่นั่งมัวก็ขึ้นชกกันลมนเล็กถ้ากลัวกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ต่อกันเพราะต่างคนก็ต่างเอาสัเาางเอาแพ้ออกชนะนั้นเอง หวังชนะทุกคนมันพลีพิษ ก, กันอย่างในขณะแล้วจะไปที่เกียจได้หรือในขณะที่กาลังโชคงัวอยู่บนเวทีหากําลังใจนิดนึงก็ต้องแพ้เถอนนิดเดียวก็ต้องแพ้หามลงเปลือะนีนะ่แล้วก็เป็นนักรบก็ต้องให้เป็นหนักนะให้เป็นเหมือนนักมววขึ้นต่อไปบนเวที จิตใจยูกับความชนะทั้งนั้นกําลังใจก็มีเมื่อความชนะเป็นรากฐานลแล้วมีตั้งความชนะเอาที่เหลือไว้เป็นรากฐานเมื่อไหร่นัดก้าวเดินเข้าไปทุกก็ยอมรับว่าทุกเพราะเราต่อสู้เราเข้าสงคามระหว่างทเหือกับติตทามัทธิมทัานกล่าวไว้ดูชาสร้างชาเส็ม สั่งงานมืมานเิเซียเองเอตันจะเปรมมัตตงนังเปสรังร่งงานมาชุดตะมุกการชนะสงคามคูน้วยล้านก็หาได้ตึงความชนะอันตระสนม่กเพราะการชนะหลังนั้นเป็นเครื่องก่อบดีผู้แพ้ก็เป็นทุกผู้ชนะก็ต้อ ง, งระมัดระวังตัวแ เป็นต้นเอการเกาะเองผูกพันกันไปเรื่อยๆแต่ผู้ชนะที่เล็ภายในจิตใจของผมนั้นนั่นคือเพียงคนเดียวเท่านั้นก็ก็จะยิ่งกว่าการชนะในสงครามเป็นขี้ขุนด้วยผันแม่หัดขุนด้วยล้อย้อยขุณด้วยคุนด้วยผันขุนด้วยหลานงำชนะเปหมด ความชนะแบบนั้นสู้ความชนะตนเองคือที่เ็กของตนเองนี่ไม่ได้มีในเป็นพุทธภาษิต ด, ด้วยเราดูดูก็จะให้เกิดความชนะขึ้นมาโดยมีการต่อสู้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยหลักเหตุผลมีเอยี่เราจะเดินอย่างไรเดินจะเป็นไปเพื่อชนะหลักเหตุผลที่อยู่แล้วว่าต้องเดินด้วยความเพียรก็เป็นนักต่อสู้ ต้องมีสติปัญญาไม่ฉลาดไม่ได้มีแต่ความเพียรว่าตนคําความเพียรเดินจงกรงไปไเรื่อยๆเโดยนไม่มีสติสตังก็ไม่จับว่าเป็นความเพียรเพราะโลกเขาเดินได้ทั้งนั้นแม้แต่เด็กก็ยังเดินได้เดินไม่มีสติรักษาตนไม่มีความรู้สึกตัวในความเพียรทั้งตัวไม่จับว่าเป็นความเพียรขาดลระย่ะไดก็เรียว่าความเพียรเรืขาดระยะนั้นถ้าลงสติเรืยขาดแล้วความเพียรก็ขาดทันที สติเป็นกล่องสำคัญเป็นพื้นเราพูดอย่างเต็มปากว่าเราเคยเห็นคุณค่าของสติได้ฝึกมาอย่างนี้นด้วยรล่นลูกคลุกขานเราก็เคยเป็นมาพ อ, อเป็นบางครั้งเกิดความนอนเมื่อต่ำใจตนเองว่ามีว่ามีวัสนา น, น, น่ยเกิดมาโรคศรัตราเพื่อนสูงทั้งหลายตั้งกอ่อมีความสงบเย็นใจ ม, จมีปัดมีทรได้แล้วับ วสว้าคูวาจามตัดงให้ธรรมเดชเกิดไขเพิ่มเติมให้เป็นขั้นเ ป, ป็นตอนไปแต่เราไม่เห็นมีอะไรมีแต่ความนั่งรู้กคลามองดูทีเรามีแต่จิตกับกิเลสมันถือกิเลสเผาอยู่ตลอดเกี่ความานั่งนั่งตั้งบางาทีแทบจะร้องไห้คงแบ่นี่เป็นขณะหนึ่งของจิตใจอีกขณะหนึ่งของจิตนั้นก็พลิกกันพัก ครูอาจารย์แต่ก่อนท่านก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะท่านก็เป็นคนคนหนึ่งท่านสอนเราเพื่อให้เป็นคนอย่างนั้นเพื่อให้รู้ให้เห็นอย่างนั้นทําไมเราเวลานี้เรามุ่งหน้าพ่านหน้าต่านตาเราไปฏิบัติกับท่านจริงๆเพื่อความรู้เหตุผลอัดทำตลอดทังวันผลไม่ตามทําไมเราจะรู้ไม่ได้เมื่อเรามีความเพียรอยู่จิตมันก็เกิดความห้าวหาญขึ้น จิตเมื่อได้รับการอบรมการฝึกการทรมารี่เลศเราช่วยจิตอีกตลอดเวลาจิตย่อมจะมีทางสะดวกสบายต้องอดจ็บใจมันได้นี่หลักการประพึกเราพร้อมทุกอย่างแล้วเวลามีว่างที่สุดไม่มีใครว่างว่างเก้อว่างเกิ น, น, น, นคระไปสำหรับเมืองไทยเราพระ ธ, ธิ์พทะศาสนา หรือพระเป็นสํางันเขาเคารพเรื่องใสการทำบุญให้ทานเท่าไหร่ไม่อัดไม่อั้นไม่เสียดยอยากได้บุญกับพระผู้ตั้งใจข่าที่เล็กตัวเป็นมหาโจรตัวเป็นมหาทพิณาทําโลกให้พิณาท์ก็คือก็คือที่เล็กที่เขาสิงจิตหรือหนูนจิตให้เป็นไปเมื่อทําผู้ได้เป็นผู้นําตั้งนาตั้งต า, ตงตาตงปฏิบัติเพื่อกํจาจัดสิตอย่านี้ ให้หมดไปภายในใจทำสมบัติปรากฏขี้มาตั้งแต่สมาธิสมบัติปัญญาสมบัติคือก็ทําวิมุตติสมบัติแล้วเป็นที่พอแต่ทั้งเราทั้งผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นวัานี้เราไม่มีอะไรบกคร่องอาหารการบริโภคดูเอาอยากได้น้อยเท่าไรก็ยิ่งมีมากมันหนึ่งวันหนึ่งทายมาสแมาช้าขีรั้างขีดหง ดูดิเมื่อมีน้ําใจของประชาชนที่ขมมีความดีดีต่อผู้ตั้งใจพุทธปฏิบัติกรรมจัดี่เรศเขาได้บุญด้วยเนี่ยเขาทําอย่างเราไม่ได้เขากอยากได้ให้เท่าไรไม่เสียดายให้มากให้น้อยอะไรเป็นที่พอใจมีความยิ้มแย้งแจ่ใสตื้นตันกิตใจตื้นตามใจพอใจเราพูดตั้งหน้ารถ กับเอาให้จริงให้จรงเป็นเจตนาคนละอย่างเขามีเจตนาอย่างนั้นกับเราเรามีเจตนาอย่างนี้กับตนขอขอีดอสระไปหมดไปหมดไปอยากคุ้นกับความทุกข์ไม่ใช่เป็นของคุ้นไม่ใช่เป็นของชินเหมือนดอกไฟกระเด็นมาถูกเก่าเราชินมากระเด็นมาถูกน้อยก็เจ็บน้อยทุกข์น้อย ถ, ถูกมากร้อนมาก ทุกคือที่เกิดขึ้นมาจากไฟคือี่เลสทําให้เราร้อนมันก็เหมือนกันไม่ว่าประเภทศใดเกิดขึ้นมามันเป็นธรรมชาติที่ร้อนที่ให้เกิดความทุกข์เท่านั้นแล้วเราจะมีความเคยชินกับมันได้อย่างไรสิ่งที่เคยชินไม่น่าก็คือทุกข์สแสดงขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องเดือดร้อนเมื่อ น, นั้นเราจะไม่ควรจะไปนอนกานก็หมัดให้เริ่อความาขัดเคียนเข้าไป ปัญญาเป็นของสําคัญสติเป็นของสําคัญนี้เป็นหลักสําคัญมากในะการประกอบความเพียรอย่าปล่อยไม่สอนเสมอสอนเหมือนสอนเ่อ น, น, น, นเรื่องสติเรื่องปัญญาไม่เห็นอันใดที่เด่นที่สุดในการแก้ที่เหลือาชวากุ ป, ปเปเพจนกระทั่งถึงหมดสงสารความติดใจนอกเหนือไปจากสติปัญญาโดยมีความเพียรเป็นอน้นิท น, น, นี้เลยเราเห็นอย่างนี้เราจึงพูดเติมปาก ลมุกคานสติไม่ไม่มีลมลุมกคานก็เป็นมาแล้วจากที่เราให้ฟังปัญญาไม่มีไม่สาบจะคิดอะไรให้เป็นอัดเป็นทาเป็นวิสิปัญญาท่านพูดว่าปัญญาปัญญาเราก็ไม่รู้นี่ก็เคยเป็นมาพอแล้วเวลาพิจารณาจิตอบรมจิตหลายครั้งหลายหนอย่างเอาจิงเอาจังก็ไม่ทนต่อความเอาจิงเอาจังสงบตรงไปจนได้สงบลรงไปแล้วก็ ปรากฏเป็นความสุขความสบายความแปลกประหลาดแล้ยิ่งกว่านั้นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาตามขั้นของจิตตามขั้นของจิตนี่นั่นแ่ะที่มีความเขี่ยนเริ่มละอเองพอเห็นผลเนี่ยเมื่อได้เห็นผลของงานแล้วความเขี่ยนหนักเป็มมาเองอาที่มีพิจารณาเช่นนี้ทางด้านปัญญาเอาจริงเอาจังจดจอ่อพิจารณาหาว่าคิดแทนตนเอง อย่าให้จักรพูบารบอกที่ที่นั้นบอกที่ที่นี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของตนผิดขึ้นมาเองไม่ผิกปัญญาที่เกิดขึ้นในความคิดความเห็นนี่จะของเกิดขึ้นมาเองนะกินไม่หมดมันยิ่งแตกแขนงคิดคาพิจารณาก็งเยิ่งแตกแขนงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระจายไปรอบตัวนั่งที่ไหนมีแต่สติกับปัญญาทําหน้าที่กับการกิเลสอ่าถ้าว่ากิเลสเป็นด่านรัดถุบ องคติปัญญานี่ได้ตําเนินแล้วด้วยความสง่าถากเผย อ, องค์อาจกล้าขาญมีความเฉลียวฉลาดนอกตัวแล้วเราเดินประจามทางกด็ดีหรือในทางจงกลมก็ดีก็เหมือนกับว่าเราเผากิ เ, กเลสตลอดเวลาฆ่ากิเลสตายละเนลละนาถทั้งการเดินกด็ดีการนั่งก็ดีนี่แต่การเดินก็เดินฆ่ากิเลสนั่งก็นั่งฆ่ากิเลสดืนเดินฆ่ากิเลส ที่ไหนพลาดไปทีดเดียดด้วยสติปัญญาศรัทาความเขี่ยนทั้งนั้นหากเป็นวัตถุลบเกลือนเต็มไปหมดว่าคิดเด็ดที่สั่งสมไม่กี่กับกี่การทาันในจิตใจนี่ถูกสติปัญญาคว้าฟันทันแบบนั้นไปตายแล้วในระนาบสัที่ไหนมีเรื่องที่เด็ดข่าวอืมนี่เราสติปัญญาขันนี้แล้วเป็นอย่งางไรขันรู้จักาจาการจัดงานรู้จักวิธีรบวิธีรับวิธีต่อสู้วิธีหลบหลีก จะเรียกว่าปัญญาต้องคงกล้าอมินตะกี่เด็ดคมกล้าไเรามืดดำกำตาที่ทายทีเด็ดกล้าแล้วเราก็มืดดำกำตามไม่เห็นอะไรแหละมีกบบที่เกิดได้ถ้าปัญญาระหว่างจ้าขึ้นมาภายในจิตใจแล้วมันจะรอดอยู่ทีเด็ดมาเนี่ยไหนคิดคินมาเรื่องอะไรมาสัมผัสมันทันทั้นั้น นอกจากมันทันกับอารมณ์ที่กำลมาเกี่ยวข้องใจแล้วมันคตามวิธีไฉกันจนเป็นที่เข้าใจแล้วปล่อยวางปล่อยวางไปเรื่อยเรื่อยจนกลายเป็นสติปัญญาสมรักขึ้นมาที่เอาละเรื่องความขี้เกียรเรื่องความกลัวทุกข์นั้นหายหน้าไปหมดเลยไม่มีมากลัวทุกข์ไม่มีทำมาขี้เกียรไม่มีทำมากลัวตายจรงมีจะจะเอาให้รู้เป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ หรือว่าเป็นก็ให้พ้นตายก็ให้พ้นจากทุกพ้นจากที่เด็กตัวกลางทั้งกลวงเท่านั้นเป็นสิ่งที่ต้องการคำว่าแพ้ให้ตายจะ ด, ดีกว่าอย่าให้แพ้แบบที่ระยอมรับ ท, ทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้เลยเป็นไปไม่ได้แต่แพ้ก็ให้แพ้แบบว่าตายเลยเป็นมวยบนเวทีก็ให้ถูกนกับล้มลงไปตายอยนี่ว่ายอมแพ้ อยู่ก็ไปยกมือว่าเราแพ้เนี่ไม่ได้ติดขั้นนี้ถ้าิปัญญาขั้นนี้เชื่อตัวเองขนาดนั้นให้ทำท่าหายที่ยาวถึงขั้นเชื่อตัวเองเชื่ออย่างนั้นคือเชื่อกําลังความสามารถของสติ ข, ของปัญญาอยากจะเห็นท่าที่เหนียดตัวใหม่ที่มันขวางหน้าของใจตรงไหนมัง่งนี่มันซอกมันซอกแทกที่แทกขุดค้นคุ้ยเฉียวหา็นแหลกหมก พราะตอนนั้นเมื่อสติปัญญามีกําลังกล้าขึ้นมาแล้วอฆ่าศึกมันหลบตัวมันซ่อนตัวจึงต้องขู่ต้องค้นคุยเคี่ยว<ม>พอเจอกันแล้วก็เอาละทิ้ง<ม>เรียกว่าได้งาน<ม><ม>เจอฆาาศึกแล้วว่าคนไปพอเหตุผลพร้อมกันแล้วหาดกระดับไปถึงชั้นมีตัวนี้ขาดาไปแล้วทีนี้คุยเคียวเอานี<ม>้หางาน พอเจอเขาก็ได้งานต่อสู้ขาดลอยหน้ปอย่างนี้เป็นไปเป็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเดียกระเถิบใจยิ่งเด่นเด่นขึ้นเห็นชัดเจนเดยลนักหนักที่เรศมีมากมีน้อยเห็นชัดว่าเป็นไผ่ต่อจิตใจอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะนอนใจได้อย่างไรเอาดําเนินไปที่ มเมื่อความเพียรมีอยู่ไม่หยุดใน่ถอยจะไม่พ้นจากคําที่กล่าวนี้ไปได้เลยเพราะทางธรรมะคำหลังสอ น, นยากที่ทรงแสดงไว้ในทางความเพียรเนี่ยเพียรหลังนี้จะต้องเป็นไปใน่างดีอยู่ไม่ต้องสินสัยขอให้ดีทําอะไรอย่าทําแบบกระจับโจดๆอย่าอัดนิสัยสระจับโุดๆให้มีความจดจ่อให้มีความจริง ใ, ใจกับ นั่นนั้นๆจริงๆพอทำมาอะไรก็ทําทษผมไป อ, อยู่ยาตักแต่ว่าทําผ่านมือผ่านมือไปเป็นนิสัยจับจุดใช่ไม่ได้เวลาจะทำความภาพเทียนแก้ถอดถอนที่เหล็กก็จะแบบจับจับตึกตึกปปล่อ ย, อ ย, อยว่างๆเป็นคุณหลักตัวแล้วไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นของตัวด้เลยมีแต่ความหล่อแหลกเต็มตัวม น, นั่นหรือเป็นตัวเป็นตัวไม่ได้กานเชื่อตัวเองไม่ได้ อาให้เชื่อตัวเองได้ไหมพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อตัวเองจากการอัตถิชนโนนาถูคือความหวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาตาความเพียรที่พระองค์มอบไปแล้วทุกอย่างเครื่องมือถูกตั้งหมดแล้วเอานำมาประกอบนํามาควา้าทันที่เหลดชที่เหลดชจากตายด้วยสติปัญญาที่เดชกลัวสติปัญญาที่เหลดชตกเทศใดก็ตามไม่พ้นจากสติปัญญาเนี้ยแต่ไดนะ้นี่แหละที่เดตัวมาและตายด้วยสี่นี้ด้วยนะ ตายด้วยสติปัญญาสั่งาความเกียดนี้ด้วยกิเลสไม่ได้ตายด้วยอย่างอื่นเพราะถ้าเราอยากสนใจนำมาใชา้สิงใดที่เป็นการทอดคุณกิเลสอย่านำสนใจนำมาใชา้สิ่งใดที่กิเลสจะยุบยอดลงไปวิ่สลายลงไปจากจิตมืตายไปจากจิตให้นำสิ่งนั้นมาใชา้สมองจุดหนุนลูกอบรมเขาทำมีกำลังมากๆสติปัญญ า, าให้ดีเราอยากเห็นหมู่เพื่อนเราอยากได้ยินหมู่เพื่อน ความเป็นความผักเปลียนแล้ได้รู้อย่างนั้นได้เห็นนั่นมันมีกําลังใจอ๋อการเทศมานี้ไม่เสียเวลาเวล า, เาเวลาไม่จะอาเทศทําที่สอนอย่างเต็มไม่เป็มหมดทอดหัวใจมาสอนทุกสิทุกอย่างแล้วได้ปรากฏขึ้นมาเป็นวิพยาธก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทรงเป็นอุทานอัญญาชิวัตโพก น, นัญโยอัญญาตุลตโพก น, นัญโยภานญาที่ได้รู้แล้ะหนอได้รู้แล้วหนอน่นเหตุบางตรณก็คือ ท, nhà, ท่านญาพระพระพระญาณพลัญญาได้รู้เห็นทำว่ายานจิงจิสุเมรขึ้นมาเป็นเมตทานขึ้นมาเสีก่อนท่านญาณพลัญญาได้เกิดเมตทานขึ้นมาญาณจิจิสุเมระธรรมจับบันตังนิโรธธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดแล้วดับทั้งนั้แ น, นแต่ให้ถึงใจตั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องดับทัานั้นและรู้ซึ้งถึงใจจิจิ พอมาล่าสุดท้านก็พระพุทธเจ้าทรงเป็นนีรรมงายญญาเชี่กับโพคุมันหนูงเนเชื่อตะเกน อ, ญญอคน่ญญายงานเ่ไดอรู้เลยหัเล่เนาะอุตตดังพุทธเวระอุิดังดืงละอันนาแล้วแปลว่าแปว่านามาโฮซี่จิะอันนี้จริงเลยเป็น มิตรกันนานของพระัญญาชนญาติตั้งแต่แบบนั้นเป็นต้นมามีท่าพระัญญาชนาเป็นผู้ที่รู้เห็นทำคนแรกที่เป็นสักิพยานของพระพุทธเจ้าไม่เสียพระทยัยไม่เสียใจ ไ, ไม่เสียกําลังที่ทรงสังงง่งสอนมาสายๆจากนั้นมาก็เลยอยูเลยลนรื่องคณะแต่ละคณะสูงถ้าเกิดเป็นเด็กทีทั้งห้าฝั่ง รูปังอิจังเลียนนาตัญญาตัญพักเลียนนาตอินิจ่าตั้งข้ารานิจ่าวิญญาณังอินิจ่ารูปังอนัตตาเลยนนาตตาสังญาศตาตั้งข้ารานตาวิญญาณังตาท้งนี้สิเอางให้เสริมที่มันอยู่ในตัวของเรานีรูปังอินจังมันมีความแปรอยู่ตลอดเวลาเราอยากชินกับคาบ้างแปรตลอดเวลาให้เส้ิด้วยปัญญา ก็ได้ทราบว่าสิ่งที่เราอาศัยยูนี่แปรอยตลอดเวลาเท่านั้นเราอยู่กับเพื่อความแปรความเปลี่ยนรูปังค์อนาตตาถือเป็นตัวเป็นตนที่ไหนทถ้าดินน้ำลมไฟนรือเราถือมาเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำก็ชัดชัดอยู่แล้วลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟชัดชัดอยู่แล้วก็ถือมาเป็นคนได้อย่างไรก็ถือว่าเป็นนอได้อย่างไงดินน้ำลมไฟ ไม่ละอายเขาบ้างเหลือสัญญาให้มันซื่อลงไปนั่นเัญญาปัญญาความจาหน้าหมายรู้จำเวลาท่ามก็ลืมกำเวลาข้อมัก็ลืมทั้งขานความภูมิความคิดเมื่อวานคิดดีคิดชั่วคิดเรื่องอดีตอนาคตคิดเท่าไรดับเท่านั้นดับเท่านั้นเอาสาระแก่นสาระสำคัญมีอาการเหล่านี้มันคือเหมือนพยับแดดนิดหนึ่งมองดูกายเราเป็นพยับเหมือนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวแล้วเข้าไปกายเราเขมนมีอะไรมีพิจารณาค้นเข้าไปจริงๆได้ ในที่ว่าอัตภาพร่างกายของเรามันมีอะไรเต็มไปด้วยไอ้จางทุกขังัน้าตาเท่านั้ น, น, นมันมีเราอยู่ที่ตรงไหนที่เราไปแฝงเอ้ยซ่งควรจะถือได้ว่าเป็นเราเป็นของเราอมเราไม่อายความจรนินบ้างเหลือหรือเราไม่อายพิเรศบ้างเหรอหรือเราก็เป็นพิเรศเป็นตัวเรียกว่าพิเลศเป็นตัวหลงจึงไม่อายกาันนั่นก็ยิ่งเพิ่มเอามโมก็ไปอีกเจ๊นี่เลานี้เราไม่ต้องการความโมกความจริงเพื่อความชัม่ง มเมือนทจแสดงถึงมาหาแต่ละคณะสุขแจกพานยาสจกภาพเกเก่าที่ทั้งห้าวาราจุดท้ายทั้งมดเรีนรไปถึงรูปันี้ ป, ปีนิบินติย่อมเบือนหนาในรูปวาจุดท้ายเรียนนาปีนิบินติย่อมเบือนหนาในเรียนทัางงานนาปีนิบินาติย่อมเบือนทั้งงาน ข้งคาเรสุปีนิบินติย่อมเบือหนในสั้งขานทั้งหลายคือความคิดปรุงต่างๆแล้วทั้งทั้งขานอันหยาที่ร่างกายนี้ก็เป็นกองลูกอยู่แล้วข้งคาเรทุปีนี้จึงหมายถึงเรื่องความคิดปรุงร้อนยนิบินติย่อมเบื่อไหนในทั้งฐานทั้งหลายยิ่งายิ่งาอ่ายิ่าเนปีนิบินติย่อมเบื่อไหนาในอินญาทั้งหมดขันห้ามมันตรงนีนั้นลูกไปท่างานไมขันไม่ยั นีิบิดังนิราชติเมื่อเวลนารย่อคลายกำเ น, นินแล้วเมื่อเวลานายย่อมคลายกำหนดแล้วเมื่อคลายกิจย่อมหลุดนเมื่อกิจลุดค้นแล้งงานความานีจเจนชันเมื่อกิบุคพ้นแล้งย่อมอยู่อยู่น้ารถตถาคตท่านแสดงว่าอย่างนี้แต่สาหรับสำหรับเราที่ปฏิบัตินั้นเราเราคิดว่าถูกนี้ท่านแสดงเป็น ผู้ที่จดใจลึเขา้าใจว่าท่านจะตัดทอนออกมไม่เป็นเม็ดเป็นหน่วยถ้าว่าเป็นเม็ดเป็นหน่วยนี่จะต้องอย่างเข้าถึงจิมเพียงรู้เท่ารู้เวทนาสัญญาสังขารมิจารณนี้เท่านั้นหลุดพ้นแต่ได้อย่างไรเราปฏิบัติมันไม่ได้เป็นอย่างนังนง้นนี่น่มันค้านกันได้อย่างจริงๆคือคาาา้านกันด้วยกราปฏิบัติไม่ใช่ค้านกันด้วยความรุนแรบทำไมถึงค้านกันนด้นี่ยก อริยพริยาสูตรมาที่อันนั้นยอมรับร้อยเปอร์เซ็นเราหาที่ค้านมันได้เราหมอบราบเลยอันนั้นถึงมาที่นี่ตินิบิณฑิย่อมเบือนานในจิตทำเมทุปิณิบิณฑิย่ยอมเบือนานในอะธรรมรมทัามาง้งนี้เรายอมนะ เมือเบื่อนายในอารมณ์แล้ววสิ่งที่สัมผัสเข้ามาก็เบื่อหน่ายเวทนาที่เกิดขึ้นจากความสัมผัสก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปหมดไม่มีใดเหลือแค่นั้นเข้าถึงจิตอริยปยาจิตจักขูโสตค า, านะสิวหากายะะยัคมะโนเราพูดยอด่อๆเบื่อหน่ายในในตาของสูมุกที่ร่งกาย นี่แล้วเบื่อหนาในรูปเป็นรถเครื่องรถไฟทํมาอมกเบื่อหนาในจิตอีก่ น, ก น, นที่มีเข้าถึงจิตเมื่อบรรลุจิตแล้วลมันก็นหมดคือคําว่าเบื่อหาในจิตคือรู้เห็นเหตุผลทางในจิตรู้ว่าสิ่งที่แทรกอยู่ภานอยู่ในจิตนั่นมันเป็นตัวไข่นั่นจะปถึงจะถึงขั้นจึงถึงขั้นอวิชาเต็นเต็มตัวีเดียวพรายังไม่เข้าถึงจิตมันยังไม่เข้าถึงอริชาเมือ่อเมื่อได้รู้พิจารณาทั้งจิต ด, ด้วย พิจารณารูปเสียงกินรสเครื่องนั้นผักและใ น, นพิจารณาพิจารณาตาหูจมูกริางกายและใ น, นพิจารณาใจด้วยอารมณ์ที่เกิดจากกายอะไรพลามันอารมณ์เกิดที่มันมในใจนั้นถ้าไม่ใช่อวิชชาเราจะปูกผู้พาปรุงเป็นผูกพาจารึไม่มาเชื่อให้ความคิดปรุงข้างหลังนี่คืออะไรนะนมันพิจารณาเข้าไปตรงนั้นที่นี้มันก็ชัดเหมือนจะพลาวธรรมทั่วไปเหมือนรูปเสียงกิ่นรสเครื่องนั้นผักแล้วก็เหมือนตาหูจมูกร่างกาย เราพิจารณาใจพิจารณาอานั้นเหมือนกันนั้นรู้ก็รู้เหมือนกันนั้นตล่อยก็ปลอยเสมอกันไปหมกเมื่อถึงจิต้วไม่มีทางฝัดมันอาศัยนิ่ปินิบินิติทำเมสปีนิบินิินี่อะไรเอาอย่างนั้นก็ไปนี่เป็นดนังอันเดียวกั น, น, นอันนี้เรายอมรนะับในภาคปฏิบัติเราปฏิบัติจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในภาคปฏิบัติ ส่วนอนัตตาลขณาสูตรนี่พอไปถึงรูปเบญจนาสถานเปนฐานวิญญาณเบื่อหน่ายคนี้แล้วถ่ามไปนี่เราเข้าใจว่าท่านตัดออกมีพเพื่ออะไรแล้วได้พิจารณาแล้วพิจารณารูปรู้เท่ารูปต่อรูปพาราใจก็รูกก็ชัดนะเบญนาสถานานวิญญาณมันรู้เท่าหมดต่อยหมดแต่มันยังไปติดอยูในใจมันไม่ค้น น, นี่น่ะเนียเวลาปฏิบัมันก็ไปถือใจอยู่นะั้นนี่สิแต่ว่าทั้ง ถือใจอนั้นมันคืออะไรมานะอวิชามั่งโยตมงบลจะเป็นอะไรทําไม่เป็นตัวใจเบื้องบนนั่นนั่นคืน อ, อยังไงหลังมาณนะอุจาวิชามันต้องอยู่ที่ใจทั้งหมดที่ว่านะ่ะมันเข้าถึงใจแล้วมันถึงจะได้รู้ตัวมานะคือความถือใจมันเป็นกิเลสประเภทหนึ่งท่านียกสัมยตมุงบนคือกิเลสประเภทละเอียดที่จิตยังติดข้องอยู่ยังไม่รอดตัวอ่คุณในงาะ วิขาดทำอีๆไนถ้ะะาไม่อยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่รูปที่เวทน า, าที่สังหารสังารมญญานีงานอวิชชาไล่รูปเวทน า, าสังหาสงขารมีงานอันเป็นอาการนะครับ ท, ทางหานี้ด้วยสติปัญญารอบไปหมดแล้วปล่อยไปหมดแล้วมันยังไม่เห็นพ้นจากทุกข์นะไม่เห็นพ้นราะเอียดพอไล่ก็ไปถึงกิตนะมันก็ไปโดนเอาปอุทาจกามาณอวิชชาจนหน้ทีนี่ พอหมดอันนั้นแล้วมันก็ไม่ต้องบอกมบอกทําไมวะนี้ผ่านไปไหนยไม่ต้องบอกไม่ถามใครด้วยเพราะในยังฉนิจิตไม่ถามใครถามทําไมถามที่พิโกผู้นิช้าวไม่จะทรงปลูกข่าเมื่อปฏิบัติให้รู้เห็นตันหลักนี้แล้วมันก็รู้ทัดเจนเลยแม้พระองค์จะทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ถามไม่ว่าสาวกองคใดจะไม่ถามเลยเพราะความจริงเท่ากันนี่การปฏิบัติ อันไหนที่ที่มันแย้งกันเราก็บอกว่าแยง่ทงทางทางท้าพิธีบัติมันเป็นในมังนั้นห์นงจงตเนี่ยเห็นอยาอ่างอนิจจปาญิยาสุปนี่ไม่มีทางแย้งเลยนั่นเอานั่นมาเทียกบกับอันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงแย้ง่แตนเราจรึงถือว่าท่านแสดงเจงสรุปออกท่าแสดงเ็นภูมิแล้วจะต้องถึงจิตเช่นกอกไม่ถึงจิตจะหลุดพ้นไปไม่ได้ขาดต่อหลักความจริงของการปฏิบัติของกิเลสของปัญญา ท, ที่จะเข้าถึงแต่มันไม่เข้าถึงนี้ เข ถ, ถึงเข้าถึงเพียงขั้นรูปปีรานทนาทั้งงานวิญญาณต่อยอันนี้ไปแล้วเท่านั้นก็ว่แบกทุกไว้ที่ใจแบกวิชาที่ใจจะว่างไงก็เหมือนต้นไม้เนี่ยตัดกิ่งตัดก้านตัดรากออกรากแก้วไม่ถอนมันขึ้นมามันก็งอกขึ้นมาอีกนะพี่อถอนรากแก้วมันขึ้นพุ่ดขึ้นมาหมดแล้วกิ่งก้านไม่ต้องไปตัด ม, มันแหลกหมดมันตาย้วยกันอวิชชาเป็นตัวสำคัญมาก นันเห็นอั่ ง, น, งนั้นการปฏิบัติมันจริงจังอยู่ภายในจิตรู้ชัดการปฏิบัติทำก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ถูกกรรมแบบปริยาตเปี้ยเปียยเปียไ ป, ปฏีเดียวตรงไหนแยกค่อยทราบมันแยกทางภาคปฏิบัติของตนตรงไหนมันรู้เข้าร่วมกันเข้ารวมกันเข้าให้ร่วมโดยภาคปฏิบัติมันตัวเองไม่ใขาดไม่ให้ใหลับมันยังสมานที่ต่างๆีอยู่เหมือนกันของแต่ละลายหลายแต่ละนิสัยอาณิจักมาติย์เราเป็นยังไงข้ของเราเป็นแบบไหน ให้รู้ภายในตัวเองอย่าเอาเรื่องขอคนอื่นมาฆ่ามาหมายมาเป็นสมบัติของผมมันเป็นสิ่งหยิบยืมมันไม่ใช่ของจริงของจริงแล้วเป็นขึ้นมาอย่างไรนั่นแหละคือของเราแท้ของเรามีความสงบแบบนี้ปัญญาของเราเดินแบบนี้หนักในการพิจารณาทางนั้นทางนั้นทางนั้นมากกว่าทางนี้องค์นั้นทา่านชอบงั้นองค์นี้ทา่านหนักไปทางนี้เป็นเรื่องของแต่และท่านท่านเราอย่ามาฆ่าเข้ากันสมบัติธรรมจีนจันอย่างนี้ เงยมากผลที่ผ่านจะอยู่ที่ไหนที่นี่เมื่อสติปัญญาได้อย่างเขา้าถึงจิตซึ่งเป็นที่รวมแห่งอริยชาติภพกิชาติตาแล้วรัตจาราิยธรรมําลรรมปานาโดยที่เชิงไม่มีสิ่งใดเหลยอยือแล้วอะไรจะมาเป็นภพเป็นชาติอีกทีนมันไม่มีแล้วก็ไม่มีเราจะเทียบด้วยทวารว่างเสียวั้งหมดอย่างนี้คนก็นจะฆ่าหว่างอะไรเงินไม่รู้ความจี่ มันเป็นรู้อยู่ชัดๆเต็มหัวใจแต่มันพูดไม่ออกโยกมาสมมติเพราะนั้นไม่ใช่สมมติเนี่ยจะ่าพูดเป็นแบบสมมุติถ้มันตรงจริงๆกับธรรมชาตินั้นมันตรงไม่ได้เพราะนั่นเป็นริมิตอันนี้เป็นสมมุติเป็นเสียงข้อเทียบเทียมมันไป้างการตั้งใจทิ่บัดเอย่ยพอถออย่ า, ยาลดนะดูที่ไหนอย่าเถออย่าลืมนื้อลืมตัวอย่าหลงกับสินใดๆในโลกนี้เป็นของเก่าแต่เคยมีมาดั้งเดิม วัตถุอารมณ์ ต, ต่างๆมีอยู่เต็มแผนดีไปที่ไหนก็มีแต่อย่างนี้น่ดินท้าอากาศต้นไม้รูเขาเราเห็นอยู่แล้วโดวยตามมาตั้งแต่วันเกิดมาตื่นเต้นมันอะไรบางตัวโลกสมมุตอิอะไรอะไรก็สมมติกันขึ้นมาสมมติขึ้นมาไม่ใช่ความฉลาดใค่รู้สมมุติก็รู้สมมุติเมื่อรู้สมมุติรอบไปหมดแล้วมันก็เป็นสมมติขึ้นมาเอง ต่อไปท่านปัญญาที่บานเพิ่มนเราไม่เห็นฝ่าเท้าแตกเือที่ว่าแต่จ น, น, น, นถึงออกขนาดออกร้อนนเป็นผมออกร้อนเมื่อเามาหยุดนะหยุดโดยมีผมมาทันรู้ว่าออกร้อนฝ่าเท้าพอเดินไปจนมันมรู้จากเมื่อยไม่รู้จากเครียไม่รู้อะไรจิตจิตไม่ได้ไปอยู่กับสิ่งนั้นมันอยู่กับที่ มาภูบรีหรือน้ำไม่สนใจนิทาเนเรื่องของเปลี่ยนไม่ได้สนใจโดยเรื่องนี้นมีไตจิตกับทำหมุนกันติวต้วติวต้วติ้วเดินไปเข้าป่ามันจะเข้าป่านี่วิจิตนไม่ออกมันเดินลันมีแต่ขาก้ามมันเข้าป่ายักทีนึงก็กลับมาเดินไปปั๊บเข้าป่านั่นอีกเวลาเขาได้เขาเห็นจริงต้องยืนงอทิศนาก็เดิน ตาเท้าสองล้อไม่ถึงแตกหรอกนะเป็นสู้ท่านได้นะบอกท่านเป็น้องเพี่ยนก็เป็นคติของพวกเราที่ไอรามันเด่นด้วยพักด้วยความขี้เกียจดยเพราะางความขี้เกียจท่านเองขี่เกียจต อ, อนนี้แหละอู้เรื่องประวัติของชาววงไว้เรามาเป็นเพิ่งคติเือสอนใจเราที แต่หน่กรมเราไม่เคยกระหลลกบุคลนันมีนะ้น่กรมนั่งจัในในในว่าข้ามนตลอดลุมเลยมันมัเรายังไม่เคยไ้าครโมงมันได้ไม่เคยตลอดลุ่มมันการนั่งตลอดนั่งพูเปากเมันเขาถึงทางนะ ชีวตท่งนองรองรู้สึว่าจะมีกองทุกข์รวมนั้นหมดเวลานั่งตลอดกว่าจิตจะลงได้นี่ตัโอ้บางวันคือมันไม่ได้เป็นไปตามใจหลังนะทำในอากาศร้อนๆ อ, อากาศอบอ้าวนั่งนางนนวนาสมาธิอุตตรปรายะทีนเป็นของสำคัญถ้าฝนก็พรางคืนฝนคาเราก็นั่งสมาธิลงมาเย็ยนโอ้ยนั่งเร็ว เป็นอุตุสปาพยากีฝ้าอากาศช่วยประยุทธ้าอากาศอก่าแล้วนั่งจะมาที่เปียบมัดตัวเลยจิตก็ไม่ลงงานบางทีขึ้นหกทุมหนึ่งนั่งสมองข้ามไปกระด้างหกทุ่มจิตไลงก็ไม่ได้านั่นแหละมันเป็นทุกข์มากนะเมื่อจิตลงไม่ได้แล้วเรื่องความเจ็บปวดมันจะมากขึ้นเหมือนกระดูกจะแตกกันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนี่เหมือนก็จะทลายทั้งร่างกายแต่สาคัญที่ความ คือหลักใจคำสัตย์ตั้งอแล้วไม่ว่าแต่มันจะทลายแต่มันจะตายแล้วมันจะเป็นปุ๋ยผมก็ไปที่ในเรื่องความสัตน์มันจะเป็นอย่างนั้นไปก็ได้นานตรงนั้นเลยทุกมากเท่าไหร่ยิ่งเอาสาธุเอาแสดงให้เต็มที่วันนี้อ่ะพุทธเจ้าะจะฟังจัจะทำคือทุกข์สัตให้ถึงใจวันนี้นีเท่าไหร่ขอให้แสดงส ข, ขึ้นมาเราจะฟังให้เต็มภูมิกาติปัญญาของเราเนี่ยมันไปต่เงี้ อะไรแจะถอยไม่ถอยก็เตั้งแล้วลงคําตัดงปุ๊บลงไปแล้วมันเหมือนผินหักนะนี่ใส่เราอย่างนั้นเพรานั่นพูดกระหมูเพื่อนพูดแต่นี้จะเป็นอย่างนั้นพูดอย่างนั้นแต่นี้ไม่มันละอานะนี่มันไม่เป็นอยนั้นนะจิตว่าอ่างนั้นปังอย่างนี้มันถึงใจเลยถึงใจเลยเพราะเป็นผู้น้อยเราเคยอยู่แล้วอยกครูวาใจ้วตัวอย่างที่ท่านจันมั่นท่านพูดอะไรมาแยกออกมานี่มันจะจับปุ๊บเลยทันทีทันทีทันทีมันไม่ถอยมันเกี่ยวไปคิ้นอ่ตั้งหลายวันเหนกันในกรเทพอีกอย่างหนึ่ง เคยระบาดมาไว้แล้วไม่ได้ไว่าโทกความโูม้อวดใครนะถ้าพูดตามความจริงหนึ่งถ้าพูดที่จะถือเป็นคติให้ถือได้หนึ่งเรามีเินดีนาทังนแต่ว่าด้มุ่งจะกดโลกกดทุกข์สารอะไรถ้ามุ่งกดโลกก็เป็นโลกมันก็ยิ่งเล ย, ล ก, เยกว่าโลกเลวยิ่งกวโลกวี่เห็นแล้ว่ได้มุ่งานั้นเป็นผู้น้อยแล้วก็เคยเป็นมาไปมู่เพื่อนมาอยู่กับเราก็เียกว่าเป็นผู้น้อยแล้วทําไมมั น, ม น, มนไม่ได้เรื่อมได้่ราพูดอื่นมันเป็นอันหนึ่งพูดอันนเป็น มือนเราจะเรียกว่าจิตใจมันหล่อเอวจิตใจมันไม่หนักแน่นมันไม่จดจ่อืถ้าจดจ่อแล้วมันต้องได้ความอยู่กับท่านมากี่ปีไม่เคยคุ้นทันมาไม่ทราบเปหนอย่างไรหัวใจนี่เป็นท่านจริงจริงมันจ่อตลอดเวลามันก็เทปเปิดพูดอะไรลๆมันเข้าหมดเข้าหมดเข้าหมดเลยอ๋อมันหิวมันกะหายอยากฟังท่านยิ่งไปเที่ยวอะไรกับมาปัญหา แบบเป็นตัวมาเลยเป็นจะยกไมขึ้นปัญหาเต็มหัวใจเพราะจะมักเล่าถวายตรงกันปัญหากันที่กับท่านเองกับท่านอาจารย์พอมาก็เล่าเรื่องถวายท่นเองท่านใส่ถาะ ม, มันขาดสัจจะเลยเนี่ยเพราะคนหนึ่งรู้แล้วคนหนึ่งไม่รู้เราพูดอะไรมาท่านรู้หมดแล้วท่านถ่าป้าบเดียวท่านน่าจไม่มากเลยนะปรากฏว่ามันโล่งทั้งหมดเลยขาดทั่วตรงต่อหน้าต่อตาเลยนะปรากฏภายในจิต เขาว่างไปหมดบ้าแต่เพราะความเปลี่ยนน้าไม่หยุเออความเปลียย่ยนเป็นไปทั้งวันทั้งคืนทำไมปัญหาจะไม่เกิดปัญหาบางอย่างเราพปรีนาแก้ไขเราได้โดยลาพั ง, งปัญหาบางอย่างมัดจะแก้ไขแก้ ไ, ไ่ไม่ได้มันจะต้องเสียเวลานานเมื่อมาท่านน้าไม่เสียเวลาบางทีไปแล้วสี่ห้าวันโดดกลับมาก็มีนะมันทางทั้ง สามร้อเส้นเฮ้ยผมเดินนี่ตัวปี่เลยมันไม่ที่วจาการเดินมาตอนท้าตอนเย็นกัดมันได้เอาบาดลงไปพอฉันเสร็จแล้วล้างบาแล้วก็บานาง้งลก็ผึ่งเลยับเดินตงตึติได้ทางสามรสีเหรอู้กับเมื่อเคลียแล้วพอ ได้โอกาสแล้วขึ้นนะท่านล่าสวายคันครับเพระพระท่าในไปมาพักเลยแบบโอ้โล่งเวลาหากลับมาในแหมเหมือนสำลีนะตัวเปล่าตัวปิ้วไปเล ย, เยแต่ไม่นานม น, นักมีอีกเพราะมันคุยเขียอยู่นี่เดี๋ยวเปิดขึ้นมาอีกพิยังไงบางอย่างเราแก้ได้บางอย่างก็นานเป็นวันวัน สอวันสามวันนี้แจ้งไม่ถูกนั่นแหะมันเป็นถูกมาเพราะต่างอันต่างไม่เรานี่จะบกคาวนวายอมแพ้ไม่แพ้ไม่ได้ตายด้วยกันนั่นเลย ไ, ไปมาหลายวันไปหลายวันกลับมาท่านยิ้มมันออกเราการอะรนะถ้าจะมาลนะกันเดี๋ยวลวะกันจะไปลงบุตศิลป์แล้วอย่างนี้นะเื่อเทียงสองสามวันจะไปลงบุตรศปันหาเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ เอาลองก่อนเอาไป็นยังไงเป็นกันอย่างแบบนี้นี้มาข้างกับทัดคืนสองคืนสามคืนก่อนค่อยกลับไปเป็นความเปลี่ยนตลอดเวลาที่ที่ที่พูดทั้งนั้นจิตมันลงไม่ได้คือว่าโอ้มันทุกข์มาก หมดทั้งมันมันก็ปวดไปหมดในกระดูกจนในตัวนี้ออกร้อนขออภัยเหมือนกับว่าก้นมันทองหมดนะแต่มันก็ไม่พอเหมือนก้นมันทองหมดนั่นคือวันไหนจิตมันลงยากมันเป็นอย่างนั้นนั่งเวลาเท่ากันเขามสําคัญที่จิตนะถ้าจิตเ้าบขาเส้นหน่อากาศมันเย็นสพานด้ทําด้วย เยน็น ว, วันนี้อาละนี่ันนี้หมอแล้วเกินนะ่อนนั่นอัละนั่งเตียมท่าวันนี้ผมทำทำอาละมันเตรียมท่าเข้านนแนวศูนนวรกจหมายถึงเราตลอดรุ่งอย่างไรับว่าพระสดมนเสร็จแล้วตั้งปัจฐานเสร็จอาข้าวขีรับอาละกอยู่นั่ น, นถ้าลองไ้เข้าอย่างนั้นแล้วจิตมันมันจริงนะจิตห น, นึ่ง จิตจะไปคิดว่าแล้ว อ, ออกไปนอกไม่ได้จนมนขาดถ้าลงเ น, น, นื้สระชีวิตลงถึงขนานั้นแล้วจะไม่จิบอบเพ่นผ่านได้เลยมือนึ่งติ้วติ้วนี่นี่สำคัญะมันจะทุกขนาดไหนฟังที่อยู่คว้วอังเ้าเราาียกว่าเลาเนสระชีวิตแล้วเพื่อความเพียรเช่นใดจะปล่อยให้จิตไปเรื่อยผ่านนี่อย่างเลยว่าเยมันเป็นเป็นไไม่ได้่างมันในหใจนี้นะไม่ยอมเลยพลาดตรงนี้ ถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายนะฮะเพียงสองสามสองสามชั่วโมงลงได้แน่วกว่ามีนะเ้านั่งนะ่ะสองสามชั่นนะวโมงมันลงได้แน้ว่ามีพอถอนมาแล้วก็พอถอนมาผู้กรษณาเริ่มเผยกำหนดพิจารณาพิจารณาอีกเนี่ยลงไม่อีกอันลงไม่อีกพอได้จังหวะได้สง ค, ควรจเกิดการแล้ว ม, มันก็ถอยออกมาเอาอพิานนจารณาอีกต่อไม่ต่อกันตลอดดุ้งถ้าอย่างนั้น ล, ลุกไปเลย เหมือนกับเรานั่งภาวนาธรรมดาธรรมดาไม่เก็บน้นปวดนี้เลย น, นั่นตั้งรีบอำนาจขอ้จิพอมันปั๊บปั๊มังมื่มันเข้าสงบแล้วเราจะควรน้อยนี่เราจะมาควรเลยผมเป็นอากาศผ่านร่างไปหมดเวลามันลงเต็มที่มันร่างกายมีเมื่ อ, อไรมันไม่มีในความรู้สึกในจิตย้อนล้วนทั้ง น, นซึ่งไป็นของอัจฉริยะนี่มันมีอะไรเสมอเลยในโลกนี้เนี่ยเี่ดีที่ว่ากราเป็นของรรอัจฉรมมิย เพราะยันในขั hmm. mm ้นสติบ hmm. ัฏฐารเลยมันก็ขนาดนนั้นว่าไเพอถ้าวันไหนมันมันลงได้ง่ายนะมันไม่มันไม่เห็นยางอะไรนะไม่เจ็บปวดนะเลยลูกขึ้นมาก็ธรรมดาไปเลยถ้าวันไหนวันยากเวลาเท่ากันนั่นแหละเป็นเป็สองสิบสามชั่วโมงวันนั้นจะทุกข์มากเละโอ้โหเจ็บปวด กระดูกกลางวันนี้เหมือนกับกระดูกจแตกแล้คือน่ารักที่ที่สำคัญมากเราทิงได้เชื่อเนื่ยว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกท่านก็ดีพระเพื่อพระเจ้าก็ดีท่านเข้านิโรธสมาบัติทั้งเจ็ดวันไม่อยอมลุกเลยเราเชื่อเพราะเอาหลักฐานนี้เขาเห็นเป็นเครื่องยืนยันเราเชื่อว่าเราถเราต้องอบร้องไปเพียงเป็นระยะระยะเท่านั้นไม่ต้องถึงวันถึงคืนใดเลย มันก็มีเวลาเวลาไม่มีการสถานที่ไม่มีร่างกายเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะมันจะให้เป็นเครื่องหุ้นอีกเลยถ้าว่าจิตของเรานี่มันเป็นงั้นตลอดจนกระทั่ง ว, ว่าร่างกายมันเตลิด อ, ออกไปเลยมันก็จะเป็น่างนั้นเลยคือมันไม่มีความรู้สึกในทางร่างกายไม่มีอะไรรู้สึกมันคือมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งนั้นแม้แต่การมันก็ไม่มีในความรู้สึ ก, กว่างแต่คําว่างประมวลนี่มันก็พูดจะยากนะคือมันละเอียด จะว่างเหมัอนอากาศแลาตมันก็ไม่ถูกแต่มันก็พอจะเทียบกันเท่านั้นเองคือว่างนั้นมันว่างอัตจั่งมีน่ะไม่ได้ว่างเหมือนอากาศว่างเบิงว่างอะไรอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันัดนพอจะมาเทียบกันเทียบไปนั้นแหละคืออันนั้นมันว่างด้วยความอัตจั่เป็นอย่านั้นแล้วร่างกายมันหายหมดมัน้ายไปไหนกันลู้คือจิตไม่ได้มาเกี่ยวข้องทุกเวทนามันก็ไม่เกิดไม่จะเอามามาเกิดนี่จะสมมติว่าจิตมันเป็นอย่างนี้ไปตลอดนี้นะ ไปขี่กัดขีกันกับมันกับมีปัญหาอะไรสมมุติร่างกายมันทนไม่หายตามสมมุติเพราะโรคอนุญกันร่างกายมือนกัมันจะเปื่อยทังไปหมดมันนั่นก็บเลยนั่นเพอเวลานั้นไม่มีการเรื่องระยเวลาเขาไปเกี่ยวข้องสถานที่ีส่วนเกี่ยวข้องร่างกายแม้อยู่กับตัวมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็หมือนอย่างคนนอนหลับสนิทถ้าเราเทียบพราอาจจะเทียบหลับสนี้พอเทียบได้การหลับสนิของคนนั้น ในขณะที่หลับสนิทนั้นอะไรที่ไปเกี่ยวข้องมีไหมเราไปที่เทียบยึดการเวลาก็มีสถานที่อยู่ตรี้ตลอดทั้งสิ่งเกี่ยวข้องทงั้งนลายครับย์สเงินทองผู้เกี่ยวข้องมากน้อยอะไรมันไม่มีทั้งนั้นร่างกายก็ไม่มีในขณะที่จิตเรานอนหลับสนิทสนิทไม่มีอะไรทั้งนั้นในเวลานั้นอ้าสมมติว่าร่างกายมันจะเปลือยแล้วก็เลยวเวลานั้นจิตมันก็ไม่ถอนจับ ทำลับสนิทนั่นเราจะว่าอย่างไรพิจาาที่วัเทียบกันได้อย่างนี้ทางท่าละเอียดมีเราเทียบไม่เฉย น, นั่นมันมีลักษณะคล้ายสิงนึ่งเพราะฉะนั้ น, าานอาทินี้มันไม่หลับอย่างที่หลับมีที่ถึงมันป็นตรงนี้ทีนี้เวลาท่าฐานหลับมันหลับจริงนะสน่วนจิตที่เป็นลงด้วยการพิจารเป็นภูมิแล้วมันลงอย่างนั้นอ่ามันละเอียดสุดท้าเราจะเทียบไม่ได้ แล้วนั่นน่ะเครื่องปลูกจิปลูกใจเครื่องอย่างศรัทธาความเชื่อมั่นอะไรอยูอ่และนั่นหมดเลยในอัศจรรยอาจารย์ศรท้าไม่ต้องบอกคำว่าศรัทธาได้ไหไม่ไม่วางไหมต้องคำพิ้นที่เคยรู้ได้เห็นได้นั้นมันแน่เห็นดึกตัวเองมนะันจะตกสงสัยที่ไหนซึ่งคือว่าจิตเป็นของสำคัญมาก นั่งเวลาเท่ากันภาวนหาจิดลมยากวันนั้นบอกช้ำ ม, มากที่เดียวแวันไหนลมจิดลมได้อย่างใจหวังเรวันนั้นธรมธรมดาธรรมดานี่มันแปลกตรงนี้จะมาคาดนะเราพูดอย่างนี้อย่ามาคาดเสน่ห์มันเนนาานะล ย, เย ม, ม, เ ม, เมันเป็นเรื่องของไทยของเรามันจะเป็นขึ้นแบบไหนให้เป็นเรื่องนี้เราเอาเราเอ็นยาไปยึด ท่านว่างั้นเราเยียดคามาเป็นอารมณ์มันตัวเองให้เป็นสั่งนั้นมันไม่ได้นะนีงมันเป็อุปสรรคให้เข้าใจมันไว้พูดนี่เพื่อเป็นขั้นตีจะมืเพื่อนแล้วมือเพื่อนจะได้บังเพลิงมันจะเห็นแบบไหนก็ตามเลยมันไม่มีจากหลักปรจะทําไม่มีจากความประกษ์มันจะต่างกันแต่ดบบไหนผลรายได้มันจะเป็นเหมือนกันเราคนทํางานเนี่ยมีงานต่างๆการคนเราแต่ผลรายได้มันสําเร็จการท่องที่เป็นเงินเป็นทองนะเหมือนกัน ยังเพินเพลินอยูเราก็ไม่เข้าใจที่แบบอุทักษะในส่วนเรื่องวุ่นวุ่นอุทักษะมาหนักอุักษะวิชาเรียนแต่เวลาเรียนอย่านี้มันไม่เข้าใจเราเรียนเหมือนนกขุนทองจำได้แต่ชื่อตัวกินไม่เคยปรากฏเวลาตัวกินมาปรากฏบตัวเองนร่เข้าใจอุทากบาง บางรามันแค่องค์แต่อุทจกร์ทุ้งชาตางทางกันเลยเหมือนกับโลกทั่ว้นไม่ใช่อย่างนั้นอุทจกร์พุทธาเนั้ยเอาอุทจาร์เราคงร่วบนกับอุทจกร์พุจธาในนี่วรรดิ่งซึ่งมีอยู่ทั่วไปนี้มันผิดกันคนโลกอุทจกร์พุจธาเนั้นเป็นที่เดียประเภทสัญญาบอุทจารนั้นไม่ใช่ยี่เดียแบบควาละเอียด คือความเพลินพูดง่ายๆมันฟุงมันเพลินการในการพิจารณามันเพลินงานกับการกับผลได้ได้กับการพิจารณาคุยเกี่ยหรือการต่อสู้กับประเทศต่างๆด้วยความเพลินมันไม่ถอยมีแตบขึ้นคือค้นคือไม่ถอยเข้ามาพักสงบพักสมาธินี่ก็ยัดตัวเสียเวลาที่งานไม่สําเร็จงานกําลังขามืออยู่นี้มัจะมานอนได้หรือคนนอนเนี่ยอะไนั้นมีกำลังพิจารณาอีกต่าง ไปพี่จนฐานเนี่ยเข้มข้นยิงนมันเข้าสมาทธิจนมันพิจรารณายัไม่ยั ง, ย, งยังไม่ลงกันได้มันก็ไม่คอยเราก็จะมาพักสมาธิมันไม่อยากพักนะมันว่าเสียงหนักนี่ครับหลวงอุทจักเพือนไม่รู้จักออกมามันเลยเถิดท่านที่น อ, อุทจักเสียอนนี้ก็เป็นที่เด็กประเท่นั่นมานางต๋อยนึความผ่องใสของจิตมันแหละเมื่อมีความผ่ อ, องใสอะไรสิแล้วเปจะเครียด เช่นตนเสมอเขาสำคัญนะนเสมอเขายึดต่ำเขายึดยิ่งกว่าเาเป็นต้นนะมาหน้าค้าอันนี้นะมันมันมันก็เป็นเที่ยนกิจที่โปร่งใสถ้าอยากเทียบเพียงงั้นเป็นไงเหมือนนี่ไหมนี่พอมันหมดอันนี้ไปแล้วมันไม่มีอะไรจะเทียบอวิชชาจะถือนี้แล้วว่าถือจิตหลงจิตอวิชาก็จิต รู้สึกวเป็นตนแน่แต่น้องสึกว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่เพราะมีฌานตัวเรามันเศษสันให้เราว่าเป็นตัวเราเป็นของหลอนให้ยึดหนวยวิชาอยู่ตงนั้นมันก็ทำไปยึดตรงนั้นไปหลงตรงนั้นพออวิชาตับลงไปหมดแล้วแต่เที่ยวกับอะไรจะเที่ยบอืมจะเทียยว่าใครก็ไม่เที่ยบเที่ยบอะไรคําเทียบนูเดอกสมมตอันนั้นมันเลยสมมติว่าจะเอาอะไรมาเทียบไง อันเดนหนึ่งนะแล้วจะามาแข่งแบบนี้ถ้าสองก็แข่นอันรีกอันหนึ่งแล้วจะเอาอะไรมาแข่งอเอกระทำโมเอกระจิเอกระทำว่าทำเห ม, มือนจิตมาจิตเหมือนทำว่าทำก็น่าว่าจิตก็น่าเอกระจิเอกระทำบารทาทั้งนั้นเมื่อเขาถึงขั้นหมดความค้างหมดขมุนแล้วก็หมดเรื่อ ง, งข้างตัวเองเมื่อหมดเรื่องเทียบเทียมเรื่องแข่งขันหมด อภิชาติูดคนเดียวมันบ้าเรู้่จะไปไหนใครรู้นพูดใเดต็มปากันทันที่พี่โกนันที่พีั้หดเห็นรู้เองขอให้ปฏิบัตรรริตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี่เถ อ, อ ะ, ะมมีใครเป็นคนรู้ผู้ปฏิบัตินั้นไนจะรู้ จะรู้จะเห็นทาอยู่ในเนี้ในใายนี้่ยที่กิเลสกำลังกองอยู่เนี่ยเอากิเลสออกจะทำรูปคืนแทนที่เหมือนเก้าอี้ตัวเดียวนี่นเป็นของสองเป็นสมบัติสองเจ้าสองเจ้าของอเป็นเป็นบัติของส่วนมากเป็นสมบัติของกิเลสทําำมาันก็มีหน้ายึดเป็นสมบัติตัวได้เพราะนัะ่นคือต้องบำเพ็ญธรรมขึ้นามากๆแล้วขับไล่กิเลสไปขับลไล่กิเลสไปแล้วก็ ขึ้นนั่งเขาอีดแทนมันคือเวลาที่เด็ดถึงมาตกกขอยู่ซะก่อนคู่กันีกที่เด็ดตกเขาีดไปเขาอู่เหมือนกับปิดปิดดวงเดียวที่เด็กกับทำมันยึเป็นเจ้าของแย่งกันห้มามลงไปจนที่เด็ดตายแล้วเมื่อมันตกไปเฉยตายด้วยเสร็จแล้วก็ทองนีตายด้เป็นสมัของผู้เดียวคือทํานี่เราจิตเสียกระทว่าได้เลยมื่อราจิตเป็นเดียวกันแล้ว มันมีคำเยอมันมีาำพูดกําลังเป็นของสองเจ้าอย่างนี้มันขึ้นได้ต่อสู้มันแย่งแย่งกิดทรราเข้าใจพูดนี่เข้าใจแล้วมรรมาาพูด อะไรจะอาศจรรย์ยิ่งบุญจิไม่มีนะในโลกนี้อ่ะจริงดังที่มันเห็นนี่สิมันคุ้มค่าเรื่องความทุกข์มากน้อยที่ต่อสรู้กิเลสมันคุ้มค่ากันแนะเพื่อนทุกข์ขนาดไหนแล้วมันก็ไม่เดืเอดร้ายความเปลี่ยนนู้ดเดือด้ายความเปลี่ยนทำมากมันหนักไปแล้วไม่แน่ว่ามัคุ้มค่าถ้ามันทำอย่างนั้นมันก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้เนี่ย ที่ทำแบบนั้นเหมาะแล้วกับวิทย์ประเภทนั้นเออมาชิมามามชิ ม, มามีหลายพันนะเนี่ยเหมือนนั่นเขาปลูกบ้านบ้านนะเครื่องมือเต็มลารถนมีเครื่องมืออเดียวด้เมื่อไรอันนี้เหมาะกับเครื่องมือประเภทนี้อันนี้เหมาะงานที่นี้เหมาะกับเครื่องมือประเภทนี้งานที่นี้เหมาะเครื่องมือประเภทนี้เหมาะกันเหมาะกันเหมาะกันเราเรียกมาชิ ม, มาทางธรรมะอย่านี้ เรียบประเภทนี้เหมาะกับมัชชิมาปเภศนี้คือพีเรียบประเภทยาวมัชชิมาประเภทถ้ามันเข้านั้นหรือเหนือกว่ากันนั้นหนักหนักเหมือนกันใส่ถางาๆไปมันเขาถากไม้เนี่ม้เนีมันเป็นต้นเสาถาเป็นต้นเสาตรงไหนที่โคตรที่งอปั้นลงไปจนเหมือนกับมาจะปั้นทิ้งทีนี้พอมันโค้งลงไปโคงไปไนี่ก็ค่อยบางการถางก็เบาเบาไปตอนนั้นก็ใส่ไปปกเครื่องมีอเป็นคนขั้นๆเป็นขั้ น, น, นตอนมาด้วย มัชชิมาลังกันที่เลธัญญามัชชิมาก็อยากข้าวตรงนั้นไม่ทันกันทําละเอียดลงไปละเอียดลงไปทําก็ละเอียดพระติปัญญาก็ละเอียดต่างต่างไปนี่เล้ต้องหมดทิ้งไ ม, มีอะไรเยลือแมัชชิมาปฏิาัี่ข้อปฏิบัติกะ็ะติเรื่องปัญญา ก็หมดหน้าที่ไปมันก็ปลูกบ้านเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องมือก็หมดหน้าที่ไปนะงยาที่มาถึงเือนต่างปรเนัก็เลิก